ในตอนต้งกะทาบาปอโกรธลมาเหมือนกั น, ก น, กนต่อมาเห้กันดีที่ก็อะไรก็ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจะไเป็นสานมัก็ถัดตามมันมันก็หมดเรื่องต่อไปอานายขตรร่ายานผู้เหตุารข้างหน้าของเราก็เพื่อนไปหนขสถานที่ธาตหน้าบาจกรเสกกา ร, รนี้แล้วจะไปเกิดยังไงมันบอกชั ันาดในชาติปัจจุบันการทำมาหากินแบบไหนวันหน้ามันจะรวยหรือไม่จะจนขามันไม่สบายอันระดัรมยานบอกดยานี้ไม่ช่วยไปสวรรค์เป็นร่อย่างเดียวช่วยการทำมาหากินให้ทาได้ถ่องแล้วก็ปัจอุบันธยานอันนี้แก้ไขกันการห่งใหญ่อย่างพวกที่มาน้องวัดเนี่ยมันจะมีห่วงบ้าน เวลานี้ทางบ้านใครเป็นยังไงบ้างขาดขนแต่งรายการท่านที่บานอยู่เป็นสุขไหมก็ือว่านา้ำสูงจริงจิงไหมให้ปับสูงกระดังอยานดูไปเลยถ้าได้ทางสามสอบไปมาดูพาได้มายนทีไปเลยไปบ้านไปดูว่าเวลานี้ใครมันเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นสุขเป็นสุขแบบไหนคนที่สัสงส่งเต่าบั่นไปไหมไอ้พวกทอยู่ที่บ้านมันมีเมียมากมีเมียน้อยเัย่ไหรว่วะ นี่น้อยไม่เป็นไรี่นี่มากไม่เป็นไรเนี่ยจะเรื่องความก็อยู่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสัตว์หลายปัจจุบันญาณบอกไปเลยไม่ต้องห่วงทนแล้วก็ยาถาจมูตายานเรามีความสุขก็มีความทุกข์คนอื่นมีความสุขก็มีความทุกข์เราทำอะไรเป็นปัจจอย่าถาจมูตายานจะบอกยานทั้งหมดที่มันบอกแบบตระทับนั่น ทำอะไรตามนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดมนเป็นภาพดูในคล้ายๆอยู่ในจอตัวทัศให้ทัดเย็ น, นยกับสายตานั้นแต่บอวิธีกันแล้วว่าถ้าจะทักนี่มันไม่ยากถ้เราไม่โ ง, ง่และราการในเสาทุกคนอยากต่อแท้ต้องคอยครูคุมถ้าคนยังไปบ้านไม่ทล้าทำหวังของครูคุมท่านนี้ก็รอวิใีใหม่แล้วก็แรงใจใน่พอ มันจาไปเนหรือต้องครยควบคุมทํำไมก่อนไม่มีใครเขาสอในใครที่ยังทำได้การจะต้องกายความดีให้ตัดสินใจตามทัศนคติธรรมารถ เ, เจ้ า, าอันแรกจะบอกจงไม่มีกังวลคือไม่มีห่วงเวลาที่เราทําเราคิดว่าถ้ามันยัตายได้เวลานี้ก็ยิดีเราไม่ต้องการร่างกายตายเวลานี้อย่างเร็วไปกว่านี้อย่างกลางมรรคาน ถ้าจิตใจเองอย่างกลางเป็นรุมาโลกอย่างดีบฏิภาณถ้าจิตใจใจแล้วไม่ต้องกลางมรุษยโลกเสิวโลกสนโลกตายมาเมื่อไรต้องปฏิภาณเหมือกันเขาต้องตัดสินใจกันอย่างนี้มีอะไรนิดมีอะไรหน่อยกลัวถ้านั่งตัวแบบนี้ก็แสดงตัวจะหวังตัวกุมารโลกปฏิภาณถ้าตัวฐานท่านนี้ไปไหนก็ต้องไปเอเรืทีเพราะฉนั้นขอทุกคนให้ตัดสินใจที่ก่อดก่อรยาทํามันจะไปนั่งตัว เรากลัวมันก็ตายไม่โกลกวก็ตายใครมันเกิดแล้วไม่ตายถ้าเราจกตายด้วยความดีทำไมไม่พร้อมใจเกิดถึงตายการตัสินใจตามนั้นอรันดาจะเกิดเป็นสัตว์สันเป็มาในการบทสานอี่สองนาทีแล้วก็ขอจบในที่สุดยมเทวชนนานี้อจะมาพากล้าตั้งสัจจญาณที่ถายเอาออกมาสันจมีพระพุทธรัตนะธมรัตนะและสังฆรัตนะเอสามกา ขอจงเป็นบรรดาละบรรดาเจ้าุธารีัตวสุขพันธ์มีในความสุขจวัดิภ่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผละนจงเจริญพระจ้าถุัะพิจารณ์ไทยทั้งสี่ปรการมีอายุวันน้าสุขขาพระละับปริทานหาสุขพันธ์จงบรรลุถึงได้ไปได้เสิ่นั่งสงสารปนหน้าจุรการอาจะมาภาพรับทานวัสนามาในธรรมวิญญาณก็จะดีพุธมารีสุนารูโภมไว้เป็นนี้ ที่ว i งตงมีรูปธรรมรักขณนิยมที่